ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังท่าไหร่แต่หลงพ่โพธิาณกำลังนำเสนอเรื่องที่เกิดและที่ตั้งของสมุทยัยคือตหาทั้งสาประการโดยทรงแสดงเป็นลำดับที่จริงมันเป็นขนาดจิตนะแต่ว่าขนาดจิตของมนุษย์เรานี่ยจะคิดผิดหรือคิดถูกก็ตาม เพียงขนาดจิตเดียวเราสามารถจะแสดงอะไรออกมาได้อย่างในกรณีที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากตอนเชยงคืนของวันที่สิบเอ็ดจะถึงตอนเย็นของวันที่สิบหกังแล้วก็น่าตกใจว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค น, นตายถึงห้าร้อยกว่าร แล้วก็บาดเจ็บเป็นหมื่นตั้งสองสามหมื่นสี่หมืนอะไรนี่นี่แสดงเห็นว่ามันเป็นเรื่องเพียงขณะจิตหรือรูปเดียวหรือเป็นวินาทีที่มันเกิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกหนึ่งมากกว่าเพื่อน อันนี้มัจจุราชที่ส่งมาจากต่างแดนนอกจากจะหลุดเงินซาเราไปเป็นจำนวดมากแล้วในค่าวัยรุ่นของเราปีหนึ่งมีมากมายเหลือเกินเป็นเรื่องที่มีคุณอนันันจริงแต่ว่ามีโทษมหันเพราะถ้าหากว่าจิตเนี่ยมันได้ก ร, รับการฝึกปลือมาดี ไม่รู้อำนาจแก่อารมณ์ที่บงังเกิดขึ้นหรือว่าโดยความคึกขนองด้วยขาดสติหรือว่าต้องการจะอวดสัตดาพินิหารอะไรกันก็ <c oughs> ไม่น่าจะถึงบาดเจ็บล้มตายกันมากมายอย่างนั้นดังนั้นในเรื่องเหล่านี้ทรงแสดงในรูปของการย่อยออกไปเมื่อเรามียาตนาภายในหกยาตนะภายนอกหกเป็นที่ตั้งเป็นที่เกิดเป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งอยู่ของตัญหา เราทรงแสดงว่าตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดในะที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้ในช่วงต่อไปก็เป็นเรื่องวิญญาณวิญญาณก็หกเหมือนกันนะวิญญาณก็คือความรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสก็คือรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจ ม, มูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายแล้วก็รู้ธรรมารมทางใจ เพราะเมื่อตัณหาไม่จะเกิดมันเกิดในขณะนี้ได้แต่อย่าลืมว่าตัวนี้จริงขณะมันรวดเดียวนะนรเราดูไปก็ทันเราแต่ทรงแสดงเห็นว่าที่จริงมันเป็นขณะก็ใกล้ๆกับไฟที่ไหม้เนี่ยมันเป็นขณะคือถ้าพอลุกปั๊บดับปุ๊บเนี่ยมันก็ไหม้แต่ว่าไม่แรงแต่เราปล่อยลูกลามไปเรื่อยๆมันก็จะมีอาการถูกทาลายรุนแรงมากจริงขึ้น วันจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเรารู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็เกิดความรักความชังแหละมันเกิดตัณหาในอารมณ์เหล่านั้นเดีวการที่เกิดตัณหานี่ที่จริงมันต้องมีพื้นของเขานะครือหมายความมาภายในใจเราถ้าเรามองมาจากข้างในมองมาจากข้างในเราเห็นว่ามันมีเชื้อเรียกการมธาตุคือเชื้อของความใคร่อยู่ภายในใจเรา แล้วใจก็จะไปกําหนดสิ่งเหล่านั้นนะ่ะว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจเมื่อกําหนดบ่อยๆมันก็นํามาคิดก็เรียกว่าการมาสังกัดปะคือตรึกนึกด้วยอำนาจของความใคร่คิดบ่อยๆมันก็เกิดเป็นความพอใจท่านเรียกว่าการมาฉันท์ถังคือเดียวนึกตึกนึกด้วยอำนาของความพอใจพอคิดมากมันก็เกิดเป็นความเร่าร้อน ขึ้นภายในใจก็กลายเป็นปริลาหะคือความเราร้อนพอร้อนมากมันก็กลายเป็นตันหา ต, ตันหาคือจิตมันดิน้นมันท ะ, ทะเยอทะยานอยากจะได้รูปอยากเสียงกลิ่นรสผธสพัดธรรมลมพอถึงจุดเดินก็ดิ้นแล้วก็คุมตัวเองไม่อยู่มันก็ออกมาในสแสวงหาทีนี้ในช่วงมันสแสวงหานั้นเดงถ้าตันหาเขาแรงเนี่ยมันจะคุมตัวเองมไม่ได้ เราสังเกตว่าเมื่อคืนเมื่อวันที่อะไรละ่ะวันที่สิบแปดนะฮะสิบแปดเมษายนที่ผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังได้สังเกตข่าวนะมีอยู่สองข่าวแล้วก็เป็นปัจจัยของกันและกันคือมันน่าจะเกิดเป็นจิตสานึกของคนที่ได้รับรู้ข่าวตรงนี้คือข่าวการประหารชีวิตท่านักโทษที่ค่ายาบ้า น้บบางขวางห้าชีวิตคืนเดียวประหารเนี่ยแล้วก็ตอนได้นำนักโทษไปสู่แดนประหารเ็าก็มีาพาไปดูด้วยในขณะเดียวกันกองมาัชาการฐานรู้สึกว่าภาคสามนะฮะจับยาบ้าได้ถึงเจ็ดล้านกว่าเม็ดเจ็ดล้านหกแสนเม็ด แล้วก็มีรอยเลือดของคนที่ต่อสู้ยิงต่อสู้แล้วก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่ค้ายาบ้าก็จะไม่ถูกประหารการที่ถูกประหารก็เพราะค้ายาบ้ามันก็ชื่อมโยงกันให้เห็นว่าปัญหาตรงนี้มันเกิดจากตัณหาคืออยากรวย แล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงบาป บ, บุญคุณโทษอะไรตรงนี้ถ้าหากว่ามันไปมีเหตุผลสติปัญญาอะไรขึ้นมาสักช่วงหนึ่งกนระนบวนการเหล่านี้ก็ล้มหมายความมา่เราเห็นเงินที่บุคคลอื่นก็ได้มาโดยการค้ายาบ้าเนี่ยเงินมันก็คือรูปอะเราเกิดตัณหาในตัวเงินเหล่านั้นหรือไม่หรืออย่างน้อยที่สุดไม่เกิดตัณหาในเงินที่ได้มาโดยวิินั้น สนามันก็ไม่เกิดถ้าจะเกิดก็ควบคุมทิศทางในการแสวงหาอะไรก็ตามที่เป็นทุจริตก็ไม่ต้องการได้ต้องการ ม, มีต้องการเป็นอย่างนั้นการถูกจับกุมก็ไม่เกิดนะการถูกประหารก็ไม่เกิดที่จริงเหล่านี้มันมเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนให้เรามองผ่านสิ่งที่สัมผัสเนี่ยไปสู่สิ่งที่เรายังไม่ได้สัมผัส อางตอนที่เขาขึ้นบนในเมืองจีนเนี่ยนะคือมามันมองสังคมมาเป็นคนสังเกตศึกษาในแง่สองสังคมต่างๆคือเราเห็นว่าในเมืองจีนแม้จะมีความเจริญแล้วก็ปกครองแบบเฉียบขาดเนี่ยแต่อัตตากรรมมันเยอะเพราะอะไรเพราะเราดูที่แท็กซี่ลยได้เนี่แท็กซี่นี่เขากั้นระหว่างคนขับก็แสดงว่ากั้น คนขับข้างหลังที่นั่งข้างหลังฮผู้โดยสารที่นั่งข้างหลังกับคนขับต้องนั่งข้างหน้าและในขณะเดียวกันก็กั้นระหว่างคนที่นั่งข้างหน้าเนี่ยไม่สามารถไปทําอะไรคนขับได้ภาพเหล่านี้จริงๆมันสะท้อนให้เรามองเห็นว่าเมืองนี้มีภัยมีอันตรายที่น่าหวาดกลัวมากและแสดงว่าคนที่ประกอบสมาชิสอย่างแท็กซี่เนี่ยก็ไม่ปลอดภัย แล้ถ้าเราไปดูที่อังกฤษเนี่ยจะเห็นว่าด้านที่ตรงกันข้ามกับคนขับเนี่ยไม่มีที่นั่งไม่มีเก้าอี้แต่ด้านหลังคนขับนั้นจะกั้นเกล็กเอาไว้เราแสดงว่ามาคนครลอนดอนเองก็มีประกาญเดกรรมเยอะ เ, เห็นไหมเราเห็นตรงนี้แต่มันไปมองอะไรได้ต่อไปได้ดนั้นเหตุการณ์ที่เขากลับอย่าบ้าก็ดีหรือว่าเขาประหารชีวิตนักโทษก็ดีนี่แม้จะไม่ปรากฏข่าวต่อนนึ่งกัน มันก็เชื่อมโยงให้ถึงกันแต่ปัญหาว่าทำไมคนไม่เคยได้คิดละ่ะเพราะเมื่อใดก็เมื่อ น, นั้นนั่นนะะตัญหาเมื่อเกิดจากยัตตนาภายในะยัตตนาภายนอกบวิ ญ, ญาณวิญญาณก็ทั้งหกนั่นแหละคือความรู้ที่สัมผัสในขณะนั้นเจียมพี่บอกไว้ว่าสิ่งที่เราสัมผัสในบางการณีเนี่ยมันไม่เกิดตัญหา อะไรเพราะเราไม่เก็บเชื้อสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในใจเส้นเราได้เห็นครั้งแรกได้ยินครั้งแรกสุดดมครั้งแรกลื้มครั้งแรกจับต้องครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่เกิดตัณหาแต่มันจะเกิดโมหะคือไม่รู้มันเป็นอะไรแต่เมื่อชิมเมื่อดมเมื่อจับต้องอะไรแล้วนะคือทดลองดูระยะหนึ่งมันก็จะออกมาในรูปของกรมตัณหาหรือว่าวิภวะตัณหา เอาความยินดีหรือยินร้ายล่ะแต่ยินดีการาตรณาเพราะวัฒนาก็เกิดแต่ยินร้ายวิปวัฒนาก็เกิดคนเชื่อเนี่ยเชื่อภายในใจเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่คนเราจึงไม่อยากอะไรเหมือนกันไม่พอใจรูปเหมือนกันเสียงเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันรสเหมือนกันัรสเหมือนกั น, น, น, กนในหายากนะนอกจากว่าเขาจเจริญเติบโตมาในแหล่งเดียวกันนะคนจะชอบในเรื่องเดียวกัน อย่างอาหารเนี่ยสังเกตได้ชัดนะว่าอาหารคนในแหล่งเดียวกันก็จะชอบเหมือนๆกันนั่นก็แสดงว่ามันไปเพาะเชื้อกามาธาตุในอาหารเหล่านั้นเอาไวไ้เป็นอันมากเพราะวิวญญาณหกแต่ละจุดเนี่ยวิญญาณก็คืออายอาสะอาศัยอา ย, อา ย, อายตะตาะภายในภายนอกมันก็เกิดขึ้นมาเป็นวิญ ญ, ญ, ญาณนะแต่ในการนับจริงๆมันมันนับไม่ทันหรอกมันพรวดไปไปยินดียินร้ายไปแล้ว แต่ถ้าเรามองถึงขณาดจิตแล้วมันหลายขณนาดการต่อไปก็คือสัมผัสสัมผัสเนี่ยคือการกระทบหมายความว่าการกระทบตาอวัตวะภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยสามอย่างเนี้รวมกันมันก็กลายเป็นสัมผัสคือการผัดสะบางทีเราเรียกว่าสัมผัสบางทีเรเรียกว่าผัดสะนะฮะแต่ถ้าภาษาไทยส่วนใหญ่เราจะพูดคําว่าสัมผัสแต่ภาษาบาลีเนี่ยมักจะพูดคําว่าผัดสะก็คือการกระทบ ก, ก, การกระทบกันของยานตนาภายในภายนอกวิญญาในรวมแล้วก็เป็นสัมผัสหรือผัสสะผัสสะก็คืออะไรสัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่สิ่งที่เราสัมผัสคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เห็นไหมมันก็อยู่ในที่เดิมก็เป็นเรื่องของยตนาภายในภายนอก เ, ออเวลาเราศึกษาธรรมะในเจาะในรายละเอียด อาจารยตั้งเกตว่าตัวรูปเองก็มีการแยกรูปเสียงก็แยกเสียงกลิ่นแยกกลิ่นรสแยกรสสัมผัสแยกสัมผัสนะแล้วก็อารมณ์เองก็แยกอารมณ์ในเรื่องเดียวกันเนี่ยจะมองกันในแง่มุมต่างๆแล้วก็จิตก็ไปประเมินค่าไปกําหนดค่าก็เกิดความกําหนัดชื่นชมยิน ด, ดีต่รนสัมผัสก็มีหกนะแต่และจุดเนี่ยเป็นที่เกิดและก็เป็นที่ตั้งทรงแสดงไว้ว่า เวทนาที่เกิดแต่สัมผัสทางตาเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตาหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่เวทนาซึ่งเกิดแต่สัมผัสต่างตานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่เวทนาซึ่งเกิดขึ้นแต่สัมผัสต่างๆนั้นก็ว่าไรอย่างเงี้ยข้อความดจะเหมือนกันไปเรื่อยๆ เ, เพราะในแนวการปฏิบัติที่ส่งเน้นที่การสํารวมระหว่ังเรื่องสติอย่าลืมว่าถ้าเรามีสติดี รูปมก็สัจตว่รูปเสียงก็สัจติว่าเสียงกลิ่นก็สัจติว่ากลิ่นรสก็สัจติว่ารสสัมผัสก็สัจติว่าสัมผัสอารมณ์ก็สัจติว่าอารมณ์นะอย่างจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าพวกอาหารพวกท้องชินพวกอะไรต่ออะไรต่างๆนี่เขากําหนดว่าเอ่อรูปนี้สวยเสียงนี้ไพเราะกลิ่นนี้หอมรสนี่อร่อยสัมผัสน่าจับต้องแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์กันด้วยวิธีการต่างๆหรือแม้แต่ในวงการพระเครื่องเนี่ยนะ อย่างก็พูดถึงพระสมเด็จวัดะระฆังราคาตั้งสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยถามว่าเคยคิดอยากได้ไหมไม่เคยคิดอยากได้พระสมเด็จแต่ ก, ก็อยากได้ไหมก็ไม่อยากได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเราไม่ถูกปรุงแต่งมาอย่างนั้น มันมีลักษณะแก่แค่ปลูกเสกนะฮะสร้างจนปลูกเสกจนคนหลงยุตินั้นเป็นกระแสรสร้างที่จริงอะไรก็ตามน ะ, ะไม่ไม่ว่าอะไรถ้าจํานวนน้อยเนี่ยสร้างกระแสให้มีความต้องการสูงในของนั้นมันขึ้นราคามันเองโดยกระบวนการต่อรองกับต่างคนต่างอยากได้เนี่ยในที่สุดมันก็ตัดสินก็ได้เงินเนี่ยไปให้มากให้น้อยสิ่งนั้นก็ขึ้นราคาวันพระสมเด็จก็ดีพระกลิ่งปวเรศ ก, ก็ดีเนี่ย พระกริ่งโบรเวร์เรเนี่ยว่ากันว่ามันมีไม่ถึงร้อยองนะฮะองค์จริงตรงที่สมเด็จกรมพระยาโปรเรศท่านทาเองเนี่ยมันมีไม่ถึงร้อยองหรอกกระจายไอยู่สามสิบเท่าไหร่เนี่ยแถวเนี่ยนะฮะร้านของมันน้อยเนี่ยราคามันก็แพงก็แสดงราคาเราปั่นกันขึ้นแล้วสังคมมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าเราจะเห็นว่ากระแสของปัญหาจึงถูกใช้ไปในเรื่องต่างๆ จากกานีสัมผัสเอ้า ส, ส, ส, สัมผัสสมบุรณสมมุติว่าสัมผัสเนี่ยมันก็เน้นที่สัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกสัมผั ส, ท า, า ส, ผสทางลิ้นสัมผัสทางใจมันก็ติดตาติดหูติดใจนะฮะฟังแล้วดูแล้วติดตาฟังแล้วติดหูได้ดมแล้วติดจมูกนะฮะได้ลิ้มแล้วก็ติดลิ้นได้จับต้องแล้วก็ติกายติดเลยนั้นเป็นภาษาไทายที่จริงมันเป็นอุปาทานคือทางจิตี่มันเป็นอุปทานที่จิตบัญญัติะ แล้วก็กลายเป็นอุปทานคือไปยิดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเวทนาเหล่าเนี้ยมันก็จะนําไปสู่พวกสัมผัสสัมผัสแล้วก็กลายเป็นอะไรล่ะเป็นเวทนาทีนี้พวกเวทนาเหล่าเนี้ยเกิดตัญหาก็แสดงเห็นว่าตัญหานี้เกิดซ้อนในตัญหาได้อันนี้ที่จริงดูง่ายนะฮะเราลองสังเกตว่าเราดูอะไรซ้ําๆเรแสดงว่า ดูแล้วยังอยากดูต่อดูอะไรดูสิ่งนั้นแหละฟังซ้ําๆฟังซ้ํำๆดมซ้ำๆกินซ้ําๆจับปองซ้ําๆเนี่ยแสดงว่าตัณหามันเกิดจากตัณหาในตัณหาแรกเราก็ประเมินค่ามันเองเราไปพอใจมันแล้วในที่สุดมันก็กระตุ้นใจนะฮะคือทําให้อยากที่จะสมบัติดังนั้นพวกนี้ก็ไปเรื่อยตลอดทั้งกระบวนก็อีกนะฮะ ก็คือเดี๋ยวคือคือสัมผัสแล้วก็เออไม่ใช่คือสัญญาก่อนนะฮะผัสสะแล้วก็สัญญาสัญญาคือความจำหรือจาอะไรล่ะก็จํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจำเด็ดเนาะตอนแข่งจําอารมณ์นะฮะก็จําก็หกจานั่นแหละแล้วก็เหนียวนึกนะคือหมายความความจําเหล่านี้มันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วเราก็นํามาเหนียวนึกนํามาจกนึกด้วยความรักใคร่ปรารถนาพอใจก็ได้อาคาดพยาบาทก็ได้ก็รงั้นเราลองสังเกตว่า พวกกิเล ท, ที่มันเกิดเ่ยมีเป็นนันมากที่เราเอาความจําเก่าเนี่ยมาเคี้ยวคกล้ใกลก็ควายวัวที่เคี้ยวเอื้องหน่อเคี่ยวไปไเรื่อยๆเราเคี่ยกินอารมณ์พอเคี้ยวกินอารมณ์มันก็ปรุงปรุงไปจินตนาการจินตนาการแล้วก็กลายเป็นดันหาคิดมาเพราะนตอนพระพุเจ้าจรัสรูปใหม่ๆเนี่ยจะรับสั่งว่าดูก่อนตระหนับะ เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความด âm รีนี่เองต่อไปเราจัดไม่ด âm รีถึงเจ้าอีกแล้วถามมาทำไมจึงด âm รีล่ะเพราะเราจำเขาไว้จำไว้ในไรจำไว้ในฐานะหน้า ใ, น ใ, นใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจจะในขณะเดียวกันถ้าเราจำไว้ในท่านตรงกันข้ามคือเราไม่ชอบไม่ชอบเพราะเกิดความรู้สึกเป็นแนววิพากษ์วิจาคือเกิดในทางํานองโทสะไม่ต้องการจำ ไม่ต้องการคิดไม่ต้องการปรุงตรงนี้อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกสัญญากะเวทนาท่้ฟังได้กอกเนี่ยสัญญากเวทนาเนี่ยมันเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ปรุงจิตปรุงจิตสมมติว่าเรามีการพูดถึงสัตว์ ร, ร้ายช น, นิดหนึ่งซึ่งเราไม่มีประสบการณ์เลยแล้วคนก็มาเล่าเนี่ยเราไม่รู้สึกกลัว เพราะเราไม่มีภาพุณสัตว์าราเหล่านั้นอยู่เราจึงไม่มีสัญญาจะไม่มีสัญญาก็ไม่มีเวทนาคือรู้สึกออพอใจหรือไม่พอใจนะรู้สึกยินดีหรือยินรายนะปัญหามันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้ น, นผู้พวกนี้ต้องมีหน่วยความจำอยู่หน่วยความจำในเรื่องเหล่านั้นอยู่อย่างยกตัวอย่างว่า เวลาเนี้ยอย่างอย่างสมมตกเราฟังเด็กแคุยนะมาเคยฟังเด็กคุยมันเด็กเราฟางไม่รู้เรื่องเลยตลอดรายการทําไม่รู้เรื่องเลยภาษาแปลกภาษาชอบกลนแล้วเขาพูดกันใกล้ใกลกับว่าข้อความเนี้ยมันไม่หมดอ่ะตอนนี้นีนเขาพูดขึ้นไม่มีประโยคประธานอะไรเลยแล้วเขาก็สื่อสารเขาก็เข้าใจกันเราไม่มีหน่วยความจําตรงนั้นเราไม่เข้าใจแล้วก็ ที่แปลกมากมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปลคอไม่เคยถา ม, มานะยังเพลงที่เด็กเราได้ยินในที่อื่นแต่เราไม่เคยสนใจเลยความไม่รู้เรื่องเราไม่ไู้ว่าเข อ, ข อ, ขอให้อะไรเ็าต้องการสะท้อนอะไรก็ต้องการให้อะไรแล้วทำไมเด็กๆก็ไปอยู่กันเต็มเป็นร้อยเป็นพันนันก็แสดงว่าหน่วยความจำเรานี่ไม่มีในเรื่องเหล่านั้นเราจึงไม่พอใจ ไม่พอใจไม่ยินดีไม่เดินมาปรุงคิดไปใดคิดปรุงเพราะงั้นตัญหาม่ต้อเกิดแต่ถ้าเราไปคุกคีสักระยะหนึ่งนะฮะคุกคีสักระยะหนึ่งนีมันก็อาจจะกำหนดเป็นพอใจหรือไม่พอใจพอพอใจพกกามหา็เกิดอัญนาก็เกิดไม่พอใจวิปปัญห า, าก็เกิดแต่หมายความต้องผ่านกระบวนการสัมผัสมาก่อน จะลืมว่าเรื่องอายตนะภายในหกอยายตนะภายนอกหกวิญญาณหกสัมผัสหกแล้วเราไปเวทนาหกและสัญญาหกสัญญาก็คือจอําอายตนะภายนอกทั้งหกไว้คือจํารูปจําเสียงจํำกลิ่นจํารสจรําเย็นร้อนนอนแข็งแล้วไปจําอารมณ์วันี้สัญญาและก็สัญเจตนาสัญเจตนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตมันไปนกลุ่มหมายความว่าจงใจคิดถึงสิ่งที่เราจํา แต่ม่บางอย่างเนี่ยเป็นเรื่องอดีตเลยบางอย่างเราพูดถึงคนที่เรารักซึ่งพรากจากไปร้องไห้เลยะเห็นไ่มที่ยึ้มเป็นสัญญาในอดีตเป็นเวทนาในอดีตแต่เรามาปรุงในปัจจุบันมันก็เกิดเป็นตัาหาขึ้นมาคือหมายความไงคือยากให้บรรยากาศเหล่านั้นย้อนกลับขืนมาแต่ฐานจริงมาย้อนมาได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่เราไปวาดหวังเอาไว้มันควรจะย้อนกลับขืนมา ปัหาเหล่านี้ก็หมุนวนกันอยู่ในชีวิตของบุคคลพราะทรงสั่งสอนให้เราศึกษาในรูปของการใช้ธรรมะที่เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแนวหนึ่งที่ทรงแสดงไว้เขาเรียกว่าเป็นสังวรก็ไม่ถึงกับไปลดตัณหาหมดจนหมดตัณหาหรอกตัณหามันเรื่องใหญ่ เลขใหญ่ได้สู้เขาเอาให้เขาอ่อนเปี้ยงลงหนอยอย่าเอบคุมเรามากเกินไปมนสนทภัยเรามากเกินไปนะแต่ว่าตันหาเนี่ยที่จริงมันมันมีลักษณะเหมือนกันยานผานะคือเราอาศัยเขาได้เรียกว่าอาศัยตันหังนิสาั ย, ยาตตันหาปหาตบบาท์คืออาศัยตันหาเพื่อละตันหาตันหาบางครั้งจึงพูดเหมือนกับยานผานะ ที่เราต้องอาศัยจนกว่าจะถึงฝั่งในขณะใดที่เรายัางอยู่ที่ฝั่งเนี่ยเราไม่ใช่ยังอยู่ในแม่น้ํานะเราก็ต้องอาศัยตันหาแต่ว่าขึ้นฝั่งแล้วเราต้องทิ้งเรือทิ้งยานภาชนะเหล่านั้นแต่เราไม่ทิ้งเราก็ขึ้นฝั่งไม่ได้แต่ว่ า, าปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมันจึงสามารถเรียนรู้จาก จะธรรมชาติต่างๆแล้วเราก็คุยกันเป็นธรรมะได้ทั้งหมดเลยบางทีก็เจอญาติโยมบางคนเนี่ยเราก็ประทับใจกันนะฮะยังเป็นคนหนุ่มอายุเขาก็ที่จริงกับคนทั่วไปก็ไม่มากแต่ว่าเจอกันแล้วก็คุยแต่เรื่องธรรมะเขาก็ปราลบเรื่องธรรมะถามธรมนธนธรมะสนทนธรรมะแล้ววาถทำให้เราก็ได้ฉุบคิดึ้นเรื่องเหมือนเรื่อง คือพราดจริงๆประสบการณ์ทางโลกในอ่อนนะครับไม่เคยรู้เรื่องอะไรทั้งไ ร, รก็แล้วแต่พอเพาะเห็นด้วยเขาเล่าเนี่ยเราคิดได้นะคิดออกมาเป็นธรรมะได้นั่นเป็นอย่างนั้นพระธรรมะมันสะท้อนมาจากธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ภาคสนามจริงๆเนี่ยเราจะอ่อนเราจะไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะแจะยกตัวอย่างเช่นเช่นว่าไปตามห้างตามร้านต่างๆน ก็เรี่อไม่เคยไปเลยก็มีนะฮะยี่สิบปีสิบปีนี่ยไม่เคยไปเลยไม่เคยเข้าไปเลยไม่รู้เรื่องเลยแต่ทีนี้สิ่งเหล่าเนี้ยถ้าพออ่านพอฟังพอครูพูดเนี่ยเราคิดออกมาเป็นแง่ของธรรมะได้ะแต่ว่าสมมติบันเกิดตัณหาอยากจะไปมันก็ต้องนึกถึงถึงสถานภาพของเราก็บรรเทาตัณหาได้นะว่าเราไม่เหมาะไม่ควรเป็นพระเป็นเจ้าจะไปในสถานที่นั้นเสร็จแล้วก็บรรเทาความอยากที่จะไปลงไปได้ วันสิ่งเหล่านี้แต่และอย่างเนี่ยเป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งของตัณหาที่ได้เป็นอนดีตถ้าเราไม่ไปเหนียวนึกมันมามันก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ที่ยุ่งเนี่ยคือเราไปเหนียวนึกมันเนื่องจากเราไปยอมสยบยอมจำนนต่อมันเท่านั้นเองท่างฝั่งเท่าไรแต่รูปปัฏฐิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายโดยทั่วกันสวัสดี